ทีนี้มากไปกว่านั้นอีกเพราะว่าไอออสนี้ทำลายสถาบันของบิดามารดาอีกครั้งหนึ่งก็หมายความว่าเขาไม่ยอมรับว่าบิดามีมารดามีเขาเข้าใจว่าคนหรือเป็นหน้าที่ที่ทาให้ฉันเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงฉันต้องให้เงินฉันเรียนนี่มันมีแต่คนสองคนคนหนึ่งต้องเลี้ยงอีกคนหนึ่งเท่านั้นบางคนมากขึ้นไปถึงกับว่า บิดามารดาไม่ได้เกิดฉันมาเพราะรักฉันหรอกแต่เพราะความเห็นแก่ตัวของเขาต่างหากที่เกิดฉันมาถ้าคิดอย่างนี้แล้วละก็ยอมได้ชื่อว่าทำลายสถาบันบิดามารดาอันสูงนั้นลงไปหมดสิ้นแล้วคนนั้นไม่มีบิดามารดาไม่มีความรู้สึกว่าใครเป็นบิดามารดาเพียงแต่รู้สึกว่าคนที่ทำให้เราเกิดมาก็ต้องเลี้ยงเรา ถ้าไม่ให้เงินเราใช้ไม่ให้เงินเราเรียนก็ไม่ยุติธรรมอย่างนี้เป็นต้นนี่ขอให้คิดดูว่าบิดามารดานั้นมีความหมายอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเรื่องมิจฉาทิฏฐิไว้ว่าพวกมิจฉาทิฏฐินั้นจะมีความเห็นว่าบิดาไม่มีมารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีโลกหน้าไม่มีหรือคนดีไม่มีอย่างนี้เป็นต้น หมายความว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นไม่ยอมรับว่าบิดามารดานั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งในฐานะเป็นปู่ชนียบุคคลที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาและสามารถที่จะยกหรือเลี้ยงเรามาให้รอดชีวิตและให้เราได้มีชีวิตอยู่จนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เขากลับคิดเป็นอย่างอื่นเกิดมีมิจฉาทิฏฐิว่าบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มี ทั้งๆ ท, ที่มีคนเกิดตัวมาทั้งๆ ท, ที่มีคนสอนอบรมตัวอยู่อย่างนี้ก็ว่าไม่มีเราเห็นไปเส้ยว่าเป็นลูกจ้างบ้างเราเห็นไปว่าเป็นผู้ที่คลอดเราออกมาด้วยความจำเป็นบ้างอะไรบ้างทำนองนี้ยังมีมากไปกว่านั้นอีกแทนที่จะถือว่าบิดามาดาเป็นสถาบัานสูงสุดและมีบุญคุณ เขากลับจับบิดามารดาของเขานั้นใส่ลงนรกไปเลยนี่หมายความว่าอย่างไรนี่คือว่าตามหลักแต่โ บ, บราณ น, นั้นเขาถือกันว่าบุตรนี้คือผู้ที่จะยกบิดามารดาขึ้นมาจากนารกคือมีนรกอยู่ประเภทหนึ่งเรียกว่าบุตรนารกตกลงไปแล้วร้อนใจมากบุตรทั้งหลายนี้จะช่วยยกบิดามารดาขึ้นจากนารกขุมนี้ นิหมายความว่าบิดามารดาร้อนใจว่าจะไม่มีบุตรสืบตระกูลว่าจะไม่มีบุตรเลี้ยงดูเมื่อตนแก่เท่าไม่มีบุตรที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลหรืออะไรทำนองนี้พอบุตรที่ดีมีออกมาเขาก็ยกความร้อนใจเหล่านี้ออกไปจากอกของบิดามารดาหมดก็เลยได้ชื่อว่ายกบิดามารดาพ้นจากนรกนี้เพราะฉะนั้นบุตรที่ดี ถูกต้องตามความมุ่งหมายของคําว่าบุตรพอแม้ไม่ต้องถึงดีขอให้ถูกต้องตามความหมายของคําว่าบุตรเท่านั้นก็จะเป็นผู้ที่ยกบิดามารดาขึ้นมาเสียไดจากนรกกล่าวคือความร้อนใจทุกชนิดที่บิดามารดาจะต้องได้รับเพราะไม่มีบุตรถ้าเราจะทําหน้าที่อันนี้สําเร็จเราก็มีชื่อว่าบุตรสมจริงตามความหมายของคําว่าบุตรคือผู้ที่ยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกได้จริง ว่าบุตรจำพวกไอออสจะจับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกอย่างไรนี่ก็หมายความว่าแทนที่จะทำตนเป็นบุตรดีอย่างนั้นเขากลับทำบิดามารดาให้ร้อนใจเป็นไฟเช่นว่าใช้เงินเปลืองเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กเอาเงินที่พ่อแม่ให้มาเพื่อเล่าเรียนนั้นไปให้ครูสอนเต้นร็อกแอนโรมดบอกว่าปีนี้สอบไลได้แต่ที่จริงตกแล้วไปหลอกพ่อแม่ว่า เดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นต้องเรียนอีกปีหนึ่งแม่ก็ต้องส่งเงินให้อีกแล้วเงินนั้นแม่ก็ต้องเอานาไปจำนองจำนำมาให้ลูกเรียนด้วยหวังว่าลูกจะเรียนแล้วไอออสก็ไปเที่ยวชุยชายอยู่ที่บางแสนหรืออะไรทำนองนี้นี้เรียกว่าจับบิดามารดาใส่ลงในนรกแทนที่จะยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรก การกระทาเช่นกล่าวมานี้เรียกว่าทำลายสถาบันของบิดามารดาอย่างนี้แล้วก็ต้องทำลายสถาบันของหมู่คณะของประเทศชาติของโลกหรือของมนุษยชาติโดยไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวนี้ทั่วทั้งโลกเรากำลังประสบปัญหาที่ว่าบิดามารดานี้ได้รับอาการเหมือนกับถูกจับใส่ลงไปในนรกนี่มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเป็นบุญอย่างเลิศถ้าว่าบิดามารดาครอบครัวไหนตระกูลไหนไม่มีไอออชนิดที่จะบบิดามารดาใส่ลงแปลนนรกรหรือว่าทำลายสถาบันของบิดามารดาอย่างที่กล่าวมานี้ครอบครัวนั้นนับว่ามีบุรที่ดีคือยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกรได้และเขาก็จะเป็นสิทธิ์ที่ดีคือเคารพครูบาอาจารย์ ในฐานะที่เป็นยกวิญญาณให้สูงแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติหรือของโลกได้โดยเต็มเปี่ยมบริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นสาวกที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนี้เรียกว่าเรามีข้อที่จะต้องนึกคิดกันให้มากว่าเราต้องไม่เป็นไอออคือว่าจะต้องยอมเชื่อว่าพ่อแม่มีว่าบกมีสิ่งที่ดีกว่าน้านั้นต้องมีแน่ ไม่ใช่มีดีแต่ที่เพียงเป็นน้ำอยู่เดียวนี้คือมีเพียงทรัพย์ยศไมตรีอำนาจวาสนาสนุกสนานเฮฮาทั้งเนื้อทั้งหนังมีเพียงเท่านี้นั้นไม่ใช่เราจะต้องมีอะไรซึ่งสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นไม่มีความทุกข์เลย อ, อีกส่วนหนึ่งนั่นแหละคือบกแล้วก็เป็นไอออสที่เชื่อแม่ไปก่อนตั้งแต่ยังว่ายอยู่ในน้านี้ว่าบกมี และจงตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่คิดจะขึ้นไปสู่บกให้จงได้และอย่าให้อยู่ในจำนวนของไอออสที่ตายตั้งแต่ยังอยู่ในน้ำขออภัยที่พูดอย่างนี้เรียกว่าพูดอย่างพุทธทธาสซึ่งอาจจะโศกโศกไปบ้างหรืออยากคายไปบ้างแต่ก็จำเป็นเพราะว่าไม่ได้เรียนเรื่องภาษาที่จะพูดให้ไพเราะได้ ต้องพูดกันอย่างเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันแล้วก็เป็นอย่างที่เป็นมนุษย์มีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันในการที่จะต้องช่วยกันขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากลําบากของพวกเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานี้ให้มันสูญหายไป